ต้อฟังที่เคารพค่ะรายการสันสีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว106ค่ะดิฉันสันสีนาพงษ์ดำเนินรายการ<อ>พระมารชาเขาวโรแห่งวัฒนาป่าพงลำลูกาคลอง10ซึ่งกำลังจะมีการทอดกะถิ่นในวันที่4พฤศจิกายนนี้ผ่านไปด้วยการได้อ่านพระสูตรเรื่องของอานาปาณสติสมบูรณ์สติปฐาน4สมบูรณ์ ในส่วนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวเราไปกราบนมัส ก, การถามท่านพิบูลเพิ่มเติมกันนะคะว่าในส่วนนี้พระพุทธองค์ตรัสนั้นหมายถึงอะไรกันกราบนมัส ก, การค่ะท่านพิบูลค่ะเช่นบอลค่ะท่านพิบูลก็อยู่วัดป่าดอนหายสงุดรนธานีเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดจะมีทอดกระถิ่นเมื่อสักครู่คุณโยมถูกพูดถึงเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน อันนี้ก็หมายถึงการใช้จิตเนี่ยเป็นฐานที่ตัง้งในการระลึกถึง<ช>อตอนแรกๆธรรมาก็สงสัยนะตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเอ๊อจิตเป็นฐานที่ท่าอย่งการระลึกถึงได้ไงคือเราจะระลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราก็ใช้จิตของเราอยู่แล้วนี่นหรอย่าง<ช><ช>สมมุติ ค, คุณโยมจะนึกถึงแม่นึกถึงบ้านนึกถึงที่ทํางานนึกถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้เนี่ยอะไรเป็นตัวนึกถึงก็คือจิตของเราทีนี้เราจะใช้ ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จิตมาระลึกถึงอันนี้อย่างฝั่งก็าท่าใช้เวทนาให้จิตไประลึกถึงอันนี้อย่างฝังก็ทาท่าใช่ไหมทีนี้ให้จิตไประลึกถึงจิตมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดงานผู้ชาก็พูดถึงไล่มาเลยตั้งแต่การที่ทําจิตให้ตั้งมั่นก่อนขอไปทําจิตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตถูกไหมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิต จิตของเราเนี่ยคือมันจะมีการปรุงแต่งอยู่การปรุงแต่งของจิตก็อย่างเช่นว่าบางทีเรารู้สึกเหมือนกับตกเหวลงไปบางทีเรารู้สึกเหมือนกับมันคันๆหรือบางทีรู้สึกเหมือนกับตัว ล, ลอยๆอย่างเงี้ยพวกการที่จิตก็ไปรับรู้นั่นนี่เนีนู่นเนี่ยนั่นคือการที่จิตไปปรุงแต่งละเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ตรงนี้ก่อนคือคือตรงนี้พระุทธเจ้ากำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่รู้ปัญหาเนี่ยนะคุณแก้ไม่ได้ ค่ะคือคือหมายก็ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าอันนี้การปรุงแต่งของจิตนะมีนะแล้วเราถึงจะสามารถทําการปรุงแต่งของจิตเราเนี่ยให้ระงับได้ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะอคือบางทีเราไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราเร า, เราแก้ไม่ได้แน่นอนเราต้องรู้ก่อนด้วยการที่ว่ามีสติก่อ น, นอ๋อตรงนี้เป็นปนัญหาเอาดับซ่าวางซ่าละซ่าปล่อยซ่านั่นคือการทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับค่ก็อืม นิมนต์ท่านคะ่ะส่วนต่อมาก็คือว่าทำํำจิตให้ตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเนี่ยหมายถึงว่าเรามีกําลังของจิตนั่นเองนะคือเวลาจิตเขาจะไปะคือจิตในปกติมันจะถูกดึงไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบใช่ไหมว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ธรรมารม์คือใจเหมือนกันนะคือใจทําไมมาดึงใจได้นี้ตอนแรกออกมาก็เคยสงสัยนะะจริงๆมันเป็นคนละส่วนกัน อย่างเช่นว่าในความคิดนึกของเราอย่างเงี้ยบางทีเราคิดถึงเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราคิดถึงที่ต่างประเทศที่อเมริกาเป็นต้นเนี่ยความคิดตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะความคิดตรงนี้มันดึงจิตของเราไปได้นะจิตผู้ที่เข้าไปรู้บางทีเขาเปิดดนตรีดั ง, ดงๆก็มาดึงจิตของเราไปได้นะเพราะฉนั้นจิตทํายังไงจะให้มีกําลังนะก็คือการที่มีอะไรมากระทบแล้วเราไม่ไหลไปตามหรือเราเลือกได้ว่าเราจะไหลไปตามเท่าไหร่ มากน้อยแค่ไหนจะคิดเรื่องอะไรก น, นี่คือการแสดงถึงว่าการที่เรามีกำลังของจิตเนาะเพราะนั้นการทาจิตให้ตั้งมั่นในกรณีนี้ก็คือว่าเฮ้ยเรามีสติในกายนะี่ยคือในลมหายใจอย่างนี้แล้วนะวินาทีนั้นเนี่ยตรงนี้มันมาด้วยกันเลยนะคือจิตก็มีกำลังเลือกได้ว่าจะไหลไปตามจะไม่ไหลไปตามจะคิดเรื่องอะไรนี่คือเรามีกาลังตรงนี้น ะ, ะกลังตรงนเนี้ยเนี่ย พอเราพูดถึงเวทน า, ากายเวทนาไปแล้วใช่ไหมพอพูดถึงจิตเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยว่าไอ้สอย่างแล้วก็ตอบไปทําด้วยเนี่ยนะธมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันจะต้องมาจริงๆแล้วมันมาพร้อมๆกันด้วยในเวลาเดียวกันค่ะธรรมาเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมติวพูดถึงเวลาช่างไม้เขาเลื่อยไม้อะนะเวลาเขาเลื่อยไม้ลงไปเนี่ยทั้งตัวไม้แก่นตัวแผ่นกระดาษเนี่ยนะ ก็มีมีอยู่รเราเห็นอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็เห็นตัวเลื่อยด้วยในขณะเดียวกันพอมันเลื่อยลงไปเนี่ยเราก็เห็นขี้เลื่อยที่มันออกมาด้วยนะแล้วเรากา็รู้ถึงจังหวะ ก, การเลื่อยวิธีการกระทำของเข า, เาความเร็วในการเลื่อยหรือว่ามุมอ ง, องศากับใบเลื่อยกับตัวแผ่นไม้กระดานในพวกนี้เราเห็นอยู่จุดเดียวกันเลยในขณะที่เรามองจุดที่สัมผัสระหว่างเจ้าตัว เ, เลื่อยกับตัวไม้กระดาน เพราะฉะนถ้าเราพูดถึงว่าเออนี่มันเป็นกญญาย า, านุปัสนาสติปฐานคือมันมาพร้อมกันหมดนะ่ะน่ะมันมาด้วยการมาพร้อมกันได้ <c oughs> เราเพืเ่งพูดมาถึงสามฐานที่ตั้งของจิตคือกายหมายถึงลมหายใจในกรณีอนาตาาสติแล้วก็เวทนาแต่ตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องจิตท่านพบร์ูก็คงจะเกรงท่านผู้ฟังจะสับสนว่าต้องทาอะไรเยอะๆหรือเปล่า ก็เลยเฉลยนะคะว่าจริงๆแล้วทําอย่างเดียวก็จะปรากฏ<ช>นะคะทั้งสามอย่างสีส่อย่างทีนี้พูปเจ้เนี่ยต้องแยกส่วนผสมของเราออกให้ดูไนอย่างเวลาจิตเนี่ยสมมติลมหายใจของเราเนี่ยนะเราไปรู้ลมหายใจเนี่ยเอาแค่ว่ากายก่อนคือตัวลมหายใจเนี่ยคือธาตุลมคือตัวที่เป็นออกซิเจนเนี่ยนะะเป็นโมเลกุลของธาตุเนี่ยนะมาโดนกระทบกับเนื้อเยื่อในโรงจมูกของเราเนี่ยผู้ที่เข้าไปรับรู้ตรงนี้คือจิตของเรา จิตตรงเนี้ยคือมีจิตอยู่ด้วยมีกายอยู่ด้วยจิตตรงนี้แหละคือจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานคือเราเจอาจิตมาอยู่กับลมหายใจนั่นนั่นจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานเกิดแล้วคือผู้ที่เขาไปรู้ลมหายใจกับลมหายใจเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันแต่ไม่อยู่ติดกันเลยบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะคุณโยมถือว่าลมหายใจของฉันกับผู้ที่เขาไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าจะเลยให้เลยว่าคือคนละอันกัน นะคืออย่างเช่นเราลองเราลองกั้นลมหายใจดูกันนะกั<ค>ะนะ้อนอ ย, อย่านานเกินไปนะสักสามสี่วินาทีก็พอเราจะรู้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยกับจิตของเราเนี่ยมันคนละอันกันค่นคะเพราะว่าเราเราก็ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในขณะที่เรากั้นลมหายใจนะโ อ, โอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันคือคนละอันกันกับเจ้าตัวลมหายใจเองเนาะ แปลมันเป็นอันละนกันคนละอันกันแต่ว่ามันมามันมาด้วยกันพร้อมๆกันเรื่องของจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันยังพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการที่นอกจากเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะยังทาจิตให้มีการปรุงแตง่งปล่อยการปรุงแต่งตรงนี้ด้วยเนี่ยนะยังพูดถึงการมีสติในความบางทีจิตมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในจิต อานะรมณ์ต่างๆเช่นว่ามีราคะโทสะโมหะอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอจิตเรามีราคะเกิดขึ้นละมีโทสะเกิดขึ้นละอย่างเงี้ยนะคือบางคนแบบโกโรธก็รู้ด้วยนะว่าตัวเองโกรธเอออันนี้ดีหยุดห ย, ยุดได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งก่อนนะนะแต่พอเราโกรธแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยฉันโกรธละนะอันนี้ดีคือเริ่มมีจิตตานุปัสสนากิปตานล ะ, ะนั่นนี่ก็คือทาําความเข้าใจ ว่าเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจนั่นก็คือสติ<ป>ของเราในส่วนของสติประฐานสี่กับกายเวทนาจิตอันนี้เราแค่จิตก่อนนะคะก็จะปรากฏขึ้นถ้าจะเรียนท่านฟังทั้งหลายว่าสิ่งที่พูดกันอยู่เนี่ยมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาฟังในวันนี้ จะสรุปยังไงดีอาจารยคะก็คือว่าเวลาที่เร า, เามามาดูลมหายใจเนี่ยนะเจ้ากายเวทนาจิตเนี่ยมาพร้อมกันแต่เพราะนั้นวิธีการปฏิบัติจิตตานุปัสสนาจิตป่าตานี่ไม่ได้ยากเลยนะคือมัน<ช>ไม่ใช่เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าไปในจิตอะไรคือคือมันตั้งแต่กายมันก็เข้าไปในจิตแล้วล่ะเนาะทีนี้ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเรามารู้ลมหายใจเนาะพอเรามารู้ลมหายใจพูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจนั่นแหละคือ คือตัวจิตตานุปัสสนาสิปัานคือลักษณะของจิตเหมือนกันหน้าที่ของเราตรงนี้ที่แตกต่างกับวิธีทํารู้ลมหายใจที่ว่าเรามาสังเกตตัวลมเนี่ยนะก็คือว่าเราพยายามที่ทําให้ไอ้เจ้าลมหายใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาตินะ่ะเป็นธรรมชาติเสร็จปุ๊บเราพยายามที่จะทําให้ไอ้ลมหายใจของเราเนี่ยมันแผ่วเบาลงไปนะคืออา่าให้มันเบาลงไปในะการที่ให้ลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเนี่ย ถ้ามาเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราปรับแว่นขยายเนี่ยนะปรับแว่นขยายให้จุดโฟกัสเนี่ยจุดรวมแสงของเขาเนี่ยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะนั้นเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยจนเหมือนกับลมหายใจแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเราจะเห็นจิตของเราได้ชัดเจนมากขึ้นตรงนั้นแหละคือจิตของเราที่เหลืออยู่นั่นแหะนะก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ตั้งใจมอบให้ท่านมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะฟังกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการ ฟังมาเป็นเวลาช้านานก็จะเห็นว่ายืนหยัดที่จะให้ท่านปฏิบัติธรรมด้วยพร้อมทั้งฟังพระสูตรที่เป็นลักษณะการใช้ถ้อยคำภาษาของพระพุทธเจ้าโดยตรงวันนี้เราก็หน้าที่จะดีใจที่ว่ามาได้รู้จักของที่ถูกต้องตรงเพื่อที่เวลาเราปฏิบัติเนี่ย ถ้าปฏิบัติลุยๆไปเลยท่านคะคงไม่เห็นรายละเอียดแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์บ้างคือคือเหมือนต้องจำเป็นไหยคะท่านคะคือเหมือนกับว่าสมมติเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่แล้วจะตามการสร้างเหต <c oughs> ุใช่ใช่ทีนี้จําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องแยกแยะอยู่ในใจเลยโอ้ oh, ตอนนี้จิตไปรับรู้จิตละจิตไปรับรู้เวทนาแล้วค่ะเอจุดประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยนะ ก็คือต้องการให้จิตของเราเนี่ยมีสติมีสติรนะะลึกถึงอยู่เพรา ะ, ะนั้นอะไรที่มันจะสําเร็จประโยชน์เราทำนะคือหมายความว่าถ้าเราจะไปคิดว่าตอนนี้เป็นจิตแล้วตอนนี้เป็นกายแล้วตอนนี้เป็นเวทนาแล้วเนี่ยเราจะยิ่งมีความในความเห็นอธรรมนะเนะี่ยมันจะยิ่งมีความกังวลมากกว่าไอ้ตอนนี้มันเป็นจิตหรือมันเป็นเวทนาหรือมันเป็นกายเนี่ยเนี่มันจะกลาย<ะ>เป็นคุณมีนิวรณ์ไป<ะ>นิวรณ์มันก็จะมากลางกั้นล่ะ ทนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่ต้องคิดเลยก็ได้พระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับศาลาเรือนยอดหลังหนึ่งมีทางเข้า4ทางนะคุณมาเข้ามาจากทางไหนเนี่ยก็มาถึงตรงกลางศาลาทั้งสิน้นแต่ที่เราต้องการคือให้ไปถึงตรงกลางศาลาจะได้นั่งพักกินสบายแตที่เราต้องการตรงนี้ไม่ว่าคุณจะกายเวทนาจิตธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราไปอยู่ตรงกลางเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสติอยู่พักให้สบายตรงนี้นะค <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเพื่อความ ที่มันปฏิบัติง่ายเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะเป็นอะไรบางคนเนี่ยนะคุณยำติวมารู้ลมหายใจเสร็จแล้วไปรู้เวทนาที่มากับลมหายใจเสร็จแล้วก็ไปรู้พูดที่กับไปรู้ลมหายใจสลับกันไ ป, ไปสลับกันมาเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวบางทีสลับหลายๆรอบก็มีแต่ ค, อคต้อนะี้มีเสียสิ่งที่เราต้องการคือสติด้วยเอาคุณใช้กายให้มีสติหรือคุณใช้เวทานาใช้จิตให้มีสติได้ทั้งนั้นค่ะก็เท่ากับ ว, ว่ากระจางชัดเจนขึ้นนะคะมาลังคือที่ เออเราต้องตามรู้ได้หรอเราต้องมันจะเกิดสมาธิได้ยังไงพอทําไปเรื่อยๆที่ฉันเข้าใจว่าคนต้องสงสัยแบบนี้เฮ้ยคุณคะทีนี้เราคงจะต้องสรุปกันน ะ, นะคะเ น, นื่องจากว่าก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วอ่าดิฉันอยากจะขอกลับไปที่เรื่องของการทอดกรถินอีกสักครั้งหนึ่งว่าในส่วนของสาระที่จะเพิ่มเติมจากที่พูดไปเมื่อวันก่อน นะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะถ้าว่ากันตามแบบของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นค่ะออในสมัยปัจจุบันออในสมัยปัจจุบันก็ต้องทําเหมือนกันอย่างที่พระพุทธชาตพาทำในสมัยก่อนนะนะทีนี้ในทําประเพณีแต่ละภูมิภาคอาจจะแบบไม่เหมือนกันอย่างในภาคอีสานเขาจะมีติดต้นเงินใช่ไหมเขาจะเอาไม้ไผ่มาแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับเอาเงินติดเข้าไปเนี่ย อัณนบนนะัติเนี่ยนะติดเข้าไปส่วนที่อื่นๆก็อาจจะมีแตกต่างกันไปภาคใต้ก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกัน อ, อย่างไรก็ตามหลักๆ ก, ก็คือผ้านั่นเองที่ว่าไปถวายให้แก่พิกษุพูนีผ้าเก่าที่สุดอนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่พระพุรธเาพูดถึงความที่สามัคคีกนนันเพราะว่ามันเป็นวาระเดียวช่วงเวลาจากัดด้วยที่ต้องมาประชุมพร้อมหน้ากัน คนเขาก็เลยนิยมทำกันนะว่ามันเป็นการรวบรวมความสามัคคีนะก็จะเห็นว่าหลายๆกัน ว, ว่ า, วาได้บุญแรงเออบุญมากหรือบุญน้อยนี่อยู่ที่ว่าผู้ให้นะมีศรัทธาหรือเปล่านะหมายหมายความว่าถ้าผมว่าอยู่นอกช่วง11เดือนที่เหลืออเงี้ยการได้บุญจะน้อยเหรอมันก็ไม่ใช่ไงใช่หมมันก็ได้บุญอยู่ที่ว่าผู้รับกับผู้ให้ต่างหากนะเรื่องของเหตุการณ์ในแต่รับช่วงปีก็จะจะยกไว้ก่อนนะค่ะ นะคะก็คงจะคุยกับท่านพิบูลได้เท่านี้ก่อนไหมคะวันนี้นนค่ะ น, น, นะคะกราบนมสักสสสการขอบพระคุณค่ะพูดเรื่องกระถิน่นเพื่อจะบอกค่ะว่าบุญกรถิ่นคือบุญลักษณะนี้บุญกรถิ่นมีลักษณะของอานิสงส์เหมือนกับบุญอื่นเพียงแต่ต่างกันที่ถ้าหากว่าการทําบุญนั้นก่อนระหว่างและหลังจากเรามีจิตที่เป็นกุศลเต็มที่เราก็จะได้บุญเต็มที่ไม่ว่า ในสิ่งที่เราทำกุศลนั้นจะเป็นสิ่งที่มูมลค่ามากหรือมูลค่าน้อยวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะที่วัดป่าดอนไฮโซดอนธา น, นีก็จะมีการทอดกระถินใครที่บอกโอ้ใหญ่จะไปรับลมหนาวที่วัดป่าดอนไฮโซอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ท่านก็โทรเข้ามาที่ศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ูนศูนย์หกสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้เรา ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ